ให้แก่ชีวิตและกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างเพ่งพัร mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าในโลกนี้มีความสุขอยู่สองรูปแบบด้วยกัน คือหนึ่งความสุขของผู้ครองเรือนคือคาลหัสผู้ครองเรือนและความสุขของนักบวชความสุขสองชนิดนี้ไม่เหมือนกันมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาไม่เหมือนกันดังนั้นผู้ใดต้องการหาความสุขอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องศึกษาให้รู้ว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้านำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับความสุขตามที่ได้ปฏิบัติความสุขของผู้คองเวนมีสี่มีเหตุอยู่สี่ประการด้วยกันที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมา เหตุข้อที่หนึ่งก็คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มา mm hmm. เวลาเรามีทรัพย์ mm hmm. หรือได้ทรัพย์มาเราก็สามารถใช้ทรัพย์นี้ไปซื้อความสุขต่างๆให้กับเราได้นั่นเอง mm hmm. ความเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขข้อที่สอง ก็คือการได้ใช้ทรัพย์นั่นเองเมื่อมีทรัพย์แล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นความสุขมันก็ยังไม่ได้เกิดเพิ่มขึ้นมาถ้าอยากจะให้มีความสุขเพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องนำเอาทรัพย์นั้นไปใช้ให้เกิดความสุขแก่ชีวิตจิตใจของพวกเราเหตุข้อที่สามที่ทาให้มีความสุข ของผู้คลองเงินก็คือการไม่มีหนี้การไม่มีหนี้นี้ก็เป็นความสุขเพราะเวลามีหนี้นี้จะเป็นความทุกข์นั่นเองถ้าเรามีหนี้เราก็ต้องวิตกกังวลกับการที่จะต้องหาเงินหาทองไปใช้หนี้ถ้าเราไม่สร้างหนี้ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวล เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขเวลาที่เราไม่มีเวลาที่เราไม่มีหนี้และข้อที่สี่ของความสุขของผู้ครองเรือนก็คือการกระทาที่ไม่เกิดโทษคือกระทาอะไรก็ตามอย่าทำให้เกิดโทษแก่ตนหื้อแก่ผู้อื่นเช่นการทำผิดกฎหมาย เือการทำผิดศีลธรรมอันนี้เป็นการกระทําที่จะทําให้เกิดโทษตามมาก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงห้ามปลาล์มจิตใจอย่าไปกระทําผิดกฎหมายอย่าไปกระทําผิดศีลและธรรมเพราะว่าสิ่งที่ได้มาความสุขที่ได้มาจะไม่คุ้มกับความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป ถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทาผิดศีลธรรมเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขตามอัตภาพของเราได้อันนี้คือเหตุที่จะทาให้เกิดความสุขสำหรับผู้ครองเรือนข้อที่หนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่าการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มา เป็นความสุขพวกเราคงไม่ปฏิเสธกันถ้าเราเป็นคนทำงานกินเงินเดือนเวลาเงินเดือนออกแต่ละครั้งนี้เราจะมีความสุขใจกันดีใจกันแต่การที่เราจะได้ทรัพย์นี้มามันก็ต้องมีวิธีการเพราะว่ามันไม่ได้มาเหมือนกับฝนตกมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างเหตุให้มันมา เช่นถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ได้เกิดมาแบบในครอบครัวที่ร่ำรวยเราก็ต้องไปหางานหาการทำทางานทำการเพื่อที่เราจะได้รับเงินเดือนมาและการทำงานของเราก็ต้องเป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่เพราะว่า ถ้าเราไปทำงานที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมถึงแม้เราจะได้ทรัพย์มาแต่เราก็จะได้โทษติดตามมาด้วยซึ่งโทษนี้จะรุนแรงจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าความสุขที่เราได้รับมาจากการไปทำงานผิดกฎหมายดังนั้นการที่จะได้ทรัพย์มาที่จะทำให้เรามีความสุขนั้น ต้งเกิดจากการที่เรามีสัมมาชีพทำงานอาชีพที่สุดเจริญไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายถึงแม้ว่าจะเป็นการเลี้ยงชีพก็ตามแต่มันเป็นบาป นะอาจจะไม่ติดคุกติดตารางเพราะกฎหมายเขาไม่ถือว่าผิดแต่กฎแห่งกรรมนี้เขาถือว่าผิดทำแล้วทำบาปแล้วใจจะร้อนใจจะทุกข์ขึ้นมาใจจะมีความไม่สบายใจเพราะถ้าคิดถึงวิบากกรรมที่จะตามมา ก็จะทำให้มีความทุกข์ใจไม่สบายใจ<ม>ผู้ที่ผู้ที่ทบาเพื่อเลี้ยงชีพนี้ตามหลักธรรมตามกฎแห่งกรรมตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแทนแทนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์<ม>ก็จะไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีจาเป็นที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อ ชดใช้นี่กรรมก่อนฆ่าสัตว์ชนิดไหนก็มักจะต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นให้เขาฆ่าฆ่ากี่ตัวก็ต้องกลับไปเกิดกี่ครั้งตามจํานวนของสัตว์ที่เราฆ่าดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะต้องรับวิบากกรรมในการที่เราจะหาทรัพย์มาให้ความสุขกับเรา เราก็ต้องระมัดระวังอย่าไปทำอาชีพที่ทุจริตผิดกฎหมายหรือทำอาชีพที่ผิดที่เป็นบาปเพราะว่าเรื่องบาปเรื่องบุญนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไปรับผลบาปใครเป็นผู้กระทำบาปกันจริงๆ พราะเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเห็นร่างกายเวลาทำบาปเราก็คิดว่าร่างกายเป็นผู้กระทำบาปแต่เวลาร่างกายตายไปแล้วใครจะไปเกิดเป็นสัตว์เดราจฉานอันนี้ถ้าเราดูที่ร่างกายเพียงส่วนเดียวเราก็จะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้เพราะเราเราก็จะคิดว่าตายแล้วศูนย์นั่นเอง เมื่อร่างกายตายไปแล้วเมื่อร่างกายเป็นผู้กระทำบาปเมื่อผู้กระทำบาปคือร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบาปอีก <c oughs> ความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทำบาป <c oughs> ผู้ที่กระทำบาปคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของร่างกายผู้ที่สั่งการร <c oughs> ่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้ผู้สั่งการ ผู้สั่งการก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่ mm. พราะเราทุกคนไม่ได้ไม่ปฏิเสธว่าเราเรามีผู้รู้ผู้คิดอยู่ในตัวเร า, mm. เราตอนนี้เราก็รู้ว่าเรากําลังฟังอะไรอยู่ mm. นั่นก็คือผู้รู้ณเวลาที่เราจะทําอะไรเราก็ต้องคิดก่อน mm. คิดว่าจะลุกจากที่นี่ไป mm. พอเราคิดว่าจะลุกจากที่นี่ไปเราก็สั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมาได้ ร่างกายเป็นเพียงผู้รับคําสั่งเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป็นผู้ที่บงการเป็นผู้สั่งการกรรมวิบากกรรมจึงไม่ได้ไปตกที่ร่างกาย<ม>เหมือนกับเวลาที่เราขับรถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุไปชนคนตาย เขาไม่มาจับรถยนต์ไปติดคุกติดตารางไปลงโทษแต่เขาจะจับคนขับผู้ที่ขับรถไปชนผู้อื่นฉันใดผู้คิดผู้รู้นี่ก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนคนขับคนขับร่างกายใช้ร่างกายไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต <Yeah. S 1> กฎแห่งกรรมก็เลยมาตกอยู่ที่ผู้กระทา คือผู้สั่งการคือผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้เป็นร่างกาย<ม>เราทุกคนนี้เป็นเหมือนฝาแฝด<ม>เรามีสองส่วนสองคนอยู่ในในตัวเรา<ม>ส่วนหนึ่ง ต, ตัวหนึ่งก็คือร่างกายที่เรามองเห็นด้วยตาของร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือผู้รู้ผู้คิด<ม>หรือใจนี้เอง ใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญหรือไปทำบาปแล้วพอร่างกายนี้ตายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ก็จะเป็นผู้ที่ไปรับผลของบุญผลของบาปต่อไปรับผลตั้งแต่เริ่มต้นการทำรับผลตั้งแต่ยังไม่ตายตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตายเวลาทำบุญผู้รู้ผู้คิดก็จะมีความรู้สึกสุข สุขใจอิ่มใจสบายใจเวลาทำบาปผู้รู้ผู้คิดนี้ก็จะมีความรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจผลบุญผลบาปนี้เกิดขึ้นทันทีทันทีหลังจากที่ได้กระทำบุญห ร, รือกระทาบาปอันนี้เป็นส่วนหน้าของผลบุญผลบาปแล้วผลบุญผลบาปที่ทำนี้ยังไม่ได้หายไปยังไม่หมดไป หลังจากสง่งผลให้เรามีความรู้สึกสุขทุกข์แล้ว <m ul ly> มันยังสะสมอยู่ภายในใจของเราอยู่พ <m ul ly> อเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้ว <m ul ly> ผลบุญผลบาปที่ที่เราได้ทำไว้นี้มันก็จะมาต่อสู้กันระหว่างบุญกับบาปว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาป บุญก็จะดึงใจไปทางสวรรค์แต่ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจไปทางอบายเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทามาเลี้ยงชีพด้วยด้วยดวยอาชีพที่ไม่สุจริตด้วยด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีพถ้าทำบาปมากๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำบุญ เวลาตายไปบาปจะมีกำลังมากกว่าบุญและบาป ก, ก็จะดึงใจให้ไปรับวิบากรับผลของบาป mm hmm. เช่นไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาน์ mm hmm. นี่เป็นหลักธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอาหามรรสาวกทุกๆพระองค์นี้ได้พิสูจน์ได้เห็นกับตาในแ ล, แล้วคือได้เห็น จากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมยังไม่สงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมยังได้นำเอาเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาที่จะมีแต่ความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์ให้ได้รู้ว่าความสุขนั้นเกิดจากการทาบุญนะความทุกข์นี้เกิดจากการทำบา ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีทรัพย์อยากจะมีความสุขจากการมีทรัพย์นถ้าเราต้องไปทํามาหากินเราก็ต้องทําอาชีพที่สุจริตอาชีพที่ไม่เกิดโทษอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเป็นการไม่กระทําที่ไม่ไม่มีการกระทําที่เกิดโทษน เพราะการกระทำที่เกิดโทษจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้ทราบมากันคือได้จากการที่เราไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบางคนอีกวิธีหนึ่งสำหรับการที่เราจะได้ทราบมาก็คือเกิดจากการที่เราได้ทาบุญมาในอดีต การทำบุญในอดีตนี้เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปฝากธนาคารบุญพอร่างกายของเราตายไปจากชาติก่อนแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในชาตินี้เราก็จะได้เงินจากธนาคารบุญมาเป็นสมบัติเช่นมาเกิดเป็นในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือในครอบครัวที่พ่อแม่มี มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายอันนี้ก็เป็นการได้ทรัพย์มาเนื่องจากการได้ทาบุญมาในอดีตชาติเช่นยกตัวอย่างดูพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นพระเวชสันดรแล้วได้ทำได้ทรงทาบุญทำทานอย่างมากมายใครอยากได้อะไรใครมาขออะไร ถ้าสามารถให้ได้ก็ส่งให้ไปโดยไม่มีความหวงแหนในสมบัติเข้าของเองินทองต่าง ๆ, ๆพอหลังจากที่ร่างกายของพระเวชสันดรตายไปใจก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วหลังจากที่ลงจากสวรรค์มาก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้มาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ลูกของ ผู้ที่มีความมั่งคั่งในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพระราชบิดาก็ให้ทรัพย์สมบัติแก่เจ้าชายศิทธัตถะไว้อยู่ไว้กินไว้ใช้โดยที่ไม่ต้องไปดืด่นหลนไปทำมาหากินสร้างประสาทสามฤ ด, ดูให้อยู่ให้มีมีบริสัทธ์บริวารคอยรับใช้มีสิ่งของต่างๆให้กินให้ใช้ให้ดื่ม ให้ดูให้ฟังอย่างเต็มที่อันนี้แหละคืออา น, นิสงส์ที่เกิดจากการที่ได้ทําบุญทําทานมาในอดีตชาติคนเราที่เกิดมาจึงไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาร่ำรวยเกิดมาบนกองเงินงกองทองบางคนมาเกิดในกองทุกข์ยากลกําบากบางคนเกิดแบบปานกลางไม่รวยแต่ไม่จน อันนี้เหตุหนึ่งที่ทำให้มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะการที่ได้ทำบุญหรือไม่ได้ทำบุญมากน้อยในอดีตชาตินั่นเองซึ่งอดีตมันก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะไปย้อนอดีตได้ถ้าเรามาเกิดแล้วเราไม่ได้มาเกิดบนกองเงินกองทองถ้าเราอยากจะมีทรัพย์เราก็ต้องใช้การไปทำมาหากิน โดยอาชีพที่สุดจิตการด้วยการกระทำที่ไม่เกิดโทษแล้วเราก็จะได้ความสุขจากการมีทรัพย์ น, นี้เป็นเป็นเรื่องของวิธีการของการของคนที่ของการมีทรัพย์ของผู้ที่มาเกิดในโลกนี้ก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือได้มาเกิดบนกองเงินกองทอง มาเป็นลูกเศรษฐีลูกของคนที่มีเงินมีทองก็ไม่ต้องไปดิน้นรนไปทํางานทำมาหากินอันทรัพย์สมบัติมาอดกจากพ่อแม่มากินมาใช้มาอยู่อย่างสบายแต่ถ้าการมาเกิดบนไม่ได้มาเกิดบนกองเงินกองทองเกิดบนครอบครัวที่พอมีพ่อกินหรือยากจน ก็ต <g ül> ้องดิ้นรนด้วยการทำมาหากินถ้าอยากจะได้ทรัพย์มาเพื่อให้ความสุขโดยไม่มีทุกข์ไม่มีโทษตามมาก็ต้องทำหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริาอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วรายได้ที่ได้มาก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ติดมาด้วย ถ้าเราไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายเช่นไปค้ายาเสพติดหรือไปช่อโกงทรัพย์ที่ได้มานี้มันเป็นเหมือนเหมือนผ่านไฟมันร้อนได้มาแล้วมันจะทําให้ใจเราวิตกกังวลว่าเราจะถูกจับไปลงโทษเมื่อไหร่เพราะจะต้องมีคนคอยไปแจ้งความแล้วก็ต้องมีเจ้าหนี้ที่ตํารวจคอยติดตามจับ ผู้ที่กระทําผิดต่างๆนั่นเองอดังนั้นถ้าอยากจะมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มานี้ก็ให้ทาหากินโดยวิธีสุดจริญอย่าทําโดยวิธีที่ทําให้เกิดโทษตามมาแล้วทรัพย์ที่ได้มาก็จะให้ความสุขกับเรา อ, อันนี้เป็นความสุขข้อที่หนึ่งของผู้ครองเรือนคือความสุขที่ กิจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ทีนี้ข้อที่สองของความสุขของผู้คลองเรือนคืออะไรก็คือการได้ใช้ทรัพย์เวลาเรามีทรัพย์แล้วถ้าเราเก็บไว้เฉยๆเราก็จะไม่ได้รับความสุขมากกว่าที่เราได้รับจากการที่เรามีทรัพย์มาการมีทรัพย์มันทําให้เราเรามีความรู้สึกอบอุ่น มีความสุขใจสบายใจว่าเราจะไม่ต้องตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนดังนั้นเวลาที่เราเกิดความตกทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็ต้องเอาทรัพย์ที่เรามีมานี้มาใช้กันทุกคนนี้มีมีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายกันถ้าร่างกายนี้ไม่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยปัจจัยสี่ร่างกายก็จะบกพร่องได้ ร่างกายก็อาจจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ดังนั้นการใช้ทรัพย์ที่จะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาก็คือการใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้ด้วยปัจจัยสี่นี่ก็ต้องมีทรัพย์ไว้สําหรับซื้ออาหารให้ร่างกายได้รับประทานซื้อเครื่องนุ่งหม่มไว้ให้ร่างกายไว้สวมใส่ซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อยารักษาโรคหรือซื้อประกันต่างๆเพื่อเวลาที่เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาจะได้มีการดูแลรักษาร่างกายไม่ให้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไปรักษาให้หายให้อยู่ต่อไปได้อันทีอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสุขจากการที่เราได้ใช้ทรัพย์กัน ทุกคนต้องเลี้ยงดูร่างกายเพราะร่างกายถ้าไม่ได้เลี้ยงดูขาดปัดจจัยสี่ข้อได้ข้อหนึ่งไปไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องไม่สบายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเช่นถ้าขาดอาหารร่างกายก็จะต้องเกิดโรคภัยจากการขาดสารอาหารถ้าขาดเสื้อผ้าไวส้สวมใส่ร่างกายก็อาจจะถูกแมลงสัตว์กัดต่อย หรือเกิดอากาศหนาวเย็นนี้มาทำให้น่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้าไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยก็จะอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจจะถูกภัยต่างๆมาคุกคามได้ภัยทางธรรมชาติเช่นฝนฟ้าอากาศภัยจากบุคคลที่ไม่ไม่ดีอาจจะมาทำร้ายเราได้ถ้าเราไปนอนอยู่นอก นอกบ้านที่ไม่ปลอดที่ไม่เป็นสถานที่ที่ไม่มิดชิดแต่ถ้าเรามีบ้านนี้เราก็จะเป็นมีสถานที่ที่มิดชิดที่ไม่มีใครที่จะมาทําร้ายร่างกายของเราได้ดังนั้นการจะมีความสุขจากการใช้ทรัพย์ก็ต้องรู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เพราะการใช้ทรัพย์ ที่อาจจะที่จะทำให้เกิดโทษตามมาก็มีเหมือนกันดังนั้นการจะใช้ทรัพย์ที่ให้เกิดความสุขจริงๆโดยที่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็คือต้องใช้ในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราก็คือร่างกายเราก็ต้องใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงดูร่างกายและการที่จะใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เร า, าไม่เดือดร้อน ก็คือต้องใช้ทรัพย์แบบรู้มากน้อยสันโดษอย่าใช้แบบฟุ่มเฟือยอย่าใช้แบบของหรูหราของแพงๆ mm hmm. เพราะว่ามันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันของถูกหรือของแพงมันก็ทําหน้าที่ได้เท่ากันเช mm ่ hmm. นอาหารที่เรากินจะมื้อละร้อยแล้วมื้อละพันมันก็ เลี้ยงดูร่างกายได้เท่ากันไม่ได้ทำให้อาหารมื้อละพันไม่ได้ทาให้ร่างกายวิเศษกว่าอาหารมื้อละร้อยแต่อย่างใดเพราะการรับประทานอาหารนี้ก็รับประทานเพื่อบาบัดความหิวของร่างกายเท่านั้นเองเพื่อให้ร่างกายไม่หิวเพื่อให้ร่างกายมีสารอาหารเพื่อที่ให้ร่างกายจะได้อยู่ต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหาเังนั้นการที่เราจะเลี้ยงดูร่างกาย ใช้ทรัพย์อย่างมีความสุขเราต้องรู้จักใช้อย่างประหยัดอย่าไปใช้แบบฟุ่มเฟือยเพราะมันจะหมดเร็วแล้วพอมันหมดแล้วอาจจะอาจจะทําให้เราทุกข์ลำบากเพราะจะไม่สามารถเลี้ยงดูร่างกายของเราในระยะยาวได้ <Yeah. S 1> เราต้องมองถึงอนาคตชีวิตของเรานี้ไม่ได้อยู่แค่วันสองวันไม่ใช้ได้เงินมาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งก็กินไปหมดภายในวันสองวัน แล้วหลังจากนั้นเราจะ อ, าอะไรกินต่อ น, นการที่เราจะใช้เงินอย่างใช้ทรัพย์ที่เราได้มาอย่างมีความสุขเราก็ต้องรู้จักใช้ใช้แบบประหยัดมัธยัติใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือยใช้หลักมักน้อยสันดเดชน่าเท่าที่จําเป็นใช้เท่าที่จําเป็นอาหารถ้ามื้อละร้อยทำเลี้ยงดูร่างกายเท่าดีเท่ากับอาหารมือละพันหรือห้าพันนี่ทําไมเราต้องไปเสียเงิน พันถึงห้า0ันเพื่อเลียเ้ยงดูร่างกาย <c oughs> เพื่อให้ร่างกายอิ่มร่างกายไม่หิวกำจัดความหิวเราก็ต้องใช้ความฉลาดเป็นเพราะเราต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้วันต่อไปถ้าเราใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยแบบไม่คำนึงถึงว่าพรุ่งนี้จะอะไรจะเกิดขึ้น เพราะรายได้ของเราไม่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันจะเป็นของที่แน่นอนรายได้ของเราบางทีมันอาจจะกระหยุดชะงักลงขึ้นมาก็ได้วันใดวันหนึ่งอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปทํางานทําการได้แล้วเราจะทํำยังไงเมื่อไม่มีรายได้แต่เรายังจะมีรายจ่ายอยู่แล้วถ้าเราใช้เงินแบบซื้อสุรายใช้เงินแบบฟุ้งเฟอ้เอเ เราก็จะไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินสำมรองเลยในยามที่เราไม่มีงานทาหรือในอยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปทำงานได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดดังน้นการที่เราจะใช้เงินอย่างมีความสุขนี้ต้องรู้จากการแบ่งแบ่งแบ่งใช้เงินทองที่เรามีอยู่ส่วนหนึ่งก็เอาไว้ใช้กับ การเลี้ยงชีพโดยหลักความประหยัดนักน้อยสันโดษใช้เท่าที่จำเป็นใช้เท่าพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายอาหารไม่ต้องหรูหราม่ต้องแพงเสื้อผ้าไม่ต้องหรูหราม่ต้องแพงบ้านที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันยารักษาโรคก็เหมือนกันใช้เท่าที่มันจำเป็นใช้เท่าที่มันสามารถที่จะทำหน้าที่ของมันได้ก็พอ ว่าเราจะได้มีเงินแบ่งไปทำไปใช้ในเรื่องอื่นต่อไปส่วนหนึ่งก็ไว้สําหรับใช้เลี้ยงดูร่างกายด้วยความประหยัดมัธยัสถ์และอีกส่วนหนึ่งก็ให้เก็บสํารองเอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้านี้อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือกับการงานของเราบางทีเราอาจจะตกงานก็ได้งานที่เราทําอยู่ บริษัทเขาอาจจะต้องปิดลงไปเพราะขาดทุนไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้เขาก็ต้องปิดแล้วการที่เราจะหางานใหม่ได้นี่ก็อาจจะเป็นเป็นระยะเวลาที่ไม่แน่นอนช่วงนั้นเราก็จะไม่มีรายได้มาเราก็ต้องอาศัยเงินทองที่เราเก็บสำรองไว้สำหรับในกรณีที่ฉุกเฉินอย่างนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็คือส่วนที่สอง คือเราต้องพยายามเราต้องแบ่งเงินไว้สําหรับเก็บสําลองไว้เผื่อวันข้างหน้าเผื่อเวลาที่เราไม่มีรายได้เข้ามาเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องอาศัยเงินที่เราสําลองเก็บเอาไว้ต้องคิดถึงเวลาที่เราแก่ด้วยก็ถึงมีเงินกองทุนเพื่อผู้สูงอายุกองทุนของคนชราเงินเงินการกองทุนของกา ร, กรเกษียณ หลังจากทํางานได้อายุหกสิบเขาก็ต้องปวดเราแล้วเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะทํางานได้ดีเท่ากับคนที่เขามีอายุน้อยกว่าเราก็จะไม่มีไรายได้เข้ามาถ้าเราไม่มีกองทุนไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเกษียณนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมองอนาคตเนะว่าเรายังต้องใช้เงินต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังต้องใช้เงินใช้เท่าในการเลี้ยงดูร่างกายของเรา ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนเราก็ต้องมีเงินทุนสำรองที่พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพของเราและการที่จะทำให้เราใช้เงินให้ไปได้ยาวๆก็คือเราต้องรู้จักประหยัดใช้เท่าที่จาเป็นอย่าไปใช้แบบสุรุย่ยสุร่ายเพราะมันจะไปทำให้ไม่พอแล้วไม่พอมันก็จะทำให้เราไปสร้างหนี้สร้างสินขึ้นมาไปกู้หนี้ยืมศินขึ้นมา ซึ่งแทนที่จะเป็นความสุขก็ไปสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกแต่ถ้าเรารู้จักการใช้เงินแบบประหยัดมัธยัติใช้แบบใช้แบบพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายคือไม่น้อยเกินไปแต่ก็ไม่ควรมากเกินไปให้มันพอดีกับความต้องการของร่างกายเลยี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายก็ถือว่าเป็นการฉลาดไม่ได้เป็นเป็นเรื่องของการขี้เหนียวแต่อย่างใด ความประหยัดกับการที่เหนียวนี่ไม่เหมือนกันที่เหนียวนี่คือความตนันีไม่ยอมใช้เลยเก็บอย่างเดียวเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์ตัวเองอยู่แบบขอทานอย่างนี้มันก็เกินไปอันนี้เรียกว่าความตนันหนีความอันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึง่งแต่การใช้เงินทองด้วยเหตุด้วยผลนี้ไม่ถือว่าเป็นความตนีเรียกว่าเป็นความประหยัดเพราะเราคํานึงถึงความไม่แน่นอนของรายได้ของเรา รายได้ของเรานี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นอนบางวันมันบางบางเวลามันอาจจะมามากบางเวลามันอาจจะมาน้อยในะช่วงที่มีโรคระบาดโควิดใหม่ๆนี่กิจการปิดกันไปหมดเมืองพัทยานี้ถ้าจะเป็นเมืองร้างเลยคนไม่มีรายได้ตกงานตกการกันต้องกลับไปอยู่บ้าน ท, ทำไรไถนากันอนะาศัยขู่ข้าวปลูกทัวเกินเงินไปก่อน เพราะนี้แหละคือความไม่แน่นอนของชีวิตนี่คือส่วนที่สองเราต้องเราต้องใช้ใช้กับการเก็บรักษาเผื่อไว้ในอนาคตเผื่อวันที่เราตกตกทุกข์ได้ยากเราจะได้มีเงินทองที่เราเก็บํำรองนี้ไว้มาเลี้ยงดูเราอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเวลาเรามีเงินเขาพูดหวานกับเราหมดเนี่ยเวลาไม่มีเงินแล้วหาหน้าไม่เจอหรอก ถ้าโทรไปก็บอกไม่ว่างไม่อยากจะคุยด้วยมีติดธุระอะไรต่างๆแต่เวลาเรามีเงินไม่ต้องไปขอเขาเราไม่ต้องไปหาเขาเขามาหาเราแต่พอเงินหมดแล้วนี่อย่าไปหวังพึ่งใครเลยไม่มีใครเขาให้เราพึ่งหรอกยังเราต้องพึ่งตัวเองพุทธเจ้าบอกให้ถือหลักอัตตาหิอัตโนนาโถต้องฉลาดอย่าไปเชื่อลมปากคนเออย่าไปเชื่อว่าเขาลับปากว่าาจะดูแลเราไปตลอดชีวิต คำพูดกับการกระทำมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพูดมันง่ายทำจริงๆมันยากพ<ม>อถึงเวลาทำจริงๆอาจจะทำได้แค่วันสองวันก็ทิ้งแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังพึ่งไครพึ่งตนเองด้วยการเก็บทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราที่เราไม่เอาไปใช้แบบฟุ่มเฟือยนี่มาเก็บสำรองไว้วันเผื่อวันที่เราตกทุกข์ได้ยากในวันข้างหน้าจะดีกว่า น, นี่คือส่วนที่สองนราควรที่จะใช้ใช้เก็บสำรองไว้แล้วส่วนที่สามถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรงเ่ก็เอาเงินอีกส่วนที่สามนี้ไปลงทุนสำหรับอนาคตการทำบุญนีน่ไม่ได้เป็นการสูญเปล่าอย่างที่เราคิดกันการทำบุญนี้เป็นเหมือนกับการลงทุนเหมือนกับการปลูกข้าวเนี่ยเราต้องปลูกข้าวทุกปี ข้าวที่เราปลูกปีนี้เราไม่ได้กินในปีนี้หรอกเราต้องรออีกสามเดือนรอให้มันมันมันงอกออกมาก่อนไม่ใช่ปลูกปลูกแป๊บเดีวจะได้พบนี่มันต้องใช้เวลาเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงชาติหน้าถ้าเรายังไม่ไปถึงพระนิพพานเรายังไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเรายังไงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีเราอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่รวยหรืออยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ที่จน ก็อยู่ว่าเราชาตินี้เราได้ลงทุนไว้สำหรับอนาคตหรือไปถ้าเราถ้าเราลงทุนเอาไว้ทำบุญทาทานไปตามกำลังของเราแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่เราได้มาจากการทำมาหากิจก็ดีหรือจากการได้รับมรดกตกทอดมาก็ดีแบ่งส่วนนี้ไว้เพื่อเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเราต่อไปเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะจะกลับมา เกิดหรือไม่กลับมาเกิดอีกซึ่งการจะกลับมาเกิดนี้มันง่ายกว่าการที่จะไม่กลับมาเกิดเพราะการที่จะไม่กลับมาเกิดนี้เราจะต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขต้องไปอยู่แบบนักบวชไปหาความสุขแบบนักบวชแต่ถ้าเรายังต้องอยู่แบบผู้ครองเรือนยังต้องเอาศัยเงินทองเป็นเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆอยู่เราก็ต้องอ ต้องลงทุนเผื่ออนาคตของเราแด่งทรัพย์ส่วนหนึ่งทรัพย์เสินจแล้วแต่เราอยากจะทำมากทำน้อยลงทุนมากกลับมาชาติหน้าก็รวยมากลงทุนน้อยกลับมาชาติหน้าก็รวยน้อยคิดอย่างนี้ก็แล้วกันดูพระพระเวสสันดร น, นี่ลงทุนน้อยเต็มร้อยเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรยินดีแจกจ่ายให้หมด ตัวเองไม่ต้องใช้เงินใช้ทองตัวเองใช้หาความสุขแบบแบบนักบวชหาความสุขจากการปฏิบัติจิตตภาวนาทําใจให้สงบการใช้เงินใช้ทองของพระเวชสันดรจึงไม่มีความจําเป็นเท่าที่เหมือนกับคนอื่นท่านก็เลยสามารถทําบุญทําทานได้อย่างเต็มที่อั น, นิี่สองก็คือได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะได้มาเป็นราชโอรสได้ทรัพย์สมบัติของ ของของพระราชบิดาพระราชาทานให้เอาไว้ใช้ไว้กินไว้ใช้ไม่ต้องไปดิ่นลนทำมาหากินอันนี้ก็คือการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดความสุขแล้วก็มีการใช้ทรัพย์ที่ไม่ทำให้เกิดความสุขแต่กลับให้เกิดความทุกข์ก็คือใช้กับสิ่งที่ที่เป็นโทษคือใช้กับอบายามุขต่างๆการถ้ า, า, าเรามีทรัพย์แล้วเราไปใช้กับการดื่มสุรายาเมา เล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนอย่างนี้ทรัพย์ที่เราได้มานี่มันจะหมดไปได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าการใช้ทรัพย์แบบนี้มันติดเป็นนิสัยใช้ใช้แล้วจะต้องใช้อยู่เรื่อยๆเล่นการพนันแล้วเลิกไม่ได้เวลาได้ก็อยากจะได้เวลาเสียก็อยากจะได้คือ เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็ต้องขายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหมดเนื้อหมดตัวหนึ mm hmm. ่งชรายามางก็จะทำให้าขาดสติแล้วก็จะให้ไปไปทำทำบาปทำกรรมได้ง่าย mm hmm. แล้วก็เสียสติแล้วก็ทำให้ร่างกายนี้สุขภาพไม่ดีเพราะมันไปกระทบกระเทือนกับอวัยวะของร่างกาย คนดืม่มชวามักจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าคนไม่ดืม่มชว่าและมักจะตายเร็วกว่าคนที่ไม่ดืม่มชว่าดังนั้นการใช้ทรัพย์แบบนี้ไม่ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดความสุขแต่กลับเกิดความทุกข์เกิดโทษจึงต้องระมัดระวังอย่าใช้เงินทองแบบนี้แล้วถ้าใช้แบบสื่ลุ้ยเสื่อไลใช้แบบไม่ประหยัดมัธยัสมันก็จะทําทให้เกิดเงินทองไม่พอใช้ขึ้นมาได้ เช่นไปเล่นเล่นการพนันเวลาเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่อไปเล่นไปกระทั่งเงินทองที่มีอยู่ก็หมดได้หมดแล้วยังไม่พออยากจะได้คืนอีกก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปติดไปเป็นหนี้ไป <Yes. S 1> เป็นหนี้แล้วทีนี้ก็ต้องขายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อมาใช้หนี้ mm. แล้วดีไม่ดีไม่พอก็อาจจะต้องถูกเขามาทําร้ายร่างกายเราอีก เพื่อที่จะท่วงนี้ที่เราติดเขาไว้<ม>เพราะฉะนั้นการใช้เงินแบบนี้ต้องระมัดระวังมันไม่มีรายได้การใช้เงินกับอบ า, บาอยยมุกดื่มสุา้าก็ไม่มีรายได้<ม>เลการพนันก็ไม่มีรายได้<ม>อาจจะได้เป็นช่วครั้งชั่วคราวแต่ในั้นที่สุดก็ต้องเสียไปหมดมไปการเที่ยวเตะก็ไม่มีรายได้ไมีแต่รายจ่าย นั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินใช้ทองอย่าไปใช้กับการกับอบายามุขต่างๆเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาในภายหลังได้ น, นี้ก็คือเรื่องของความสุขของการใช้เงินใช้ทองถ้ารู้จักใช้รู้จักแบ่งเก็บเอาไว้สำหรับอนาคตแล้วก็แบ่งไว้สำหรับทาลงทุนสำหรับอนาคตพบหน้าชาติหน้าถ้าเราเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรม ตายไปแล้วเนี่ยเราจะต้องกลับมาเกิดอีกการที่เรามาเกิดไม่เท่าเทียมกันบางคนก็เกิดร่ำรวยบางคนก็เกิดยากจนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราได้ทาบุญมามากน้อยต่างกันนั่นเองถ้าเราเชื่อเราก็ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งว่าเอามาให้กับการทาบุญเวลาทาบุญเราก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจเหมือนกับได้ซื้อประกันภัย เวลาเราซื้อประกันชีวิตนี้เรารู้สึกอิ่อกใจสบายใจประกันสุขภาพเนี่เรามั่นใจว่าถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปต้องเข้าโรงพยาบาลเราจะได้มีเงินจ่ายอันนี้ก็เหมือนกันการทําบุญนี้ก็เป็นเหมือนการซื้อประกันซื้อประกันชีวิตของอนาคตของเราอนาคตของเราจะดีขึ้นเราจะร่ำรวยกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ได้และนี่คือความสุขข้อที่สอง คือความสุขที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองมีเงินแล้วก็ต้องรู้จักใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าอย่าหวงเงินอย่าตรอย่าอย่าตรนี่เงินจนกลายเป็นปู่โสมเฝ้ทรัพย์ไปอายตายไปก็ทิ้งทรัพย์สมบัติให้คนอื่นเขาไปใช้หมดตัวเองไม่ได้ประโยชน์ขณะอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์ตายไปก็ไม่ไม่เอาติดตัวไปไม่ได้เพราะไม่ได้เอาไปทําบุญนี่คือ ข้อที่สามก็ก็เป็นผลก็ที่เกิดจากข้อที่สองในการใช้เงินใช้ทองนี่ก็คือการไม่มีหนี้การที่เรามีหนี้ก็เพราะเราใช้มากกว่าเราหามาได้นั่นเองถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับมันก็ต้องมีหนี้ถ้าเราไม่อยากจะมีหนี้ก็ต้องรู้จักหักห้ามจิตใจอย่าใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยอย่าไปใช้ใจ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้ใจ่ายกับสิ่งที่รู้ละก็รู้ เป็นของแพงๆเป็นแบรนด์เนมกระเป๋าใบหนึ่งมันราคาต่างกันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่มันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันมันใส่ของได้เหมือนกันเรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินมากมายกับกระเป๋าใบหนึ่งเราต้องดูที่ประโยชน์ของการใช้สอยของสิ่งที่เราซื้อมาถ้ามันใช้ประโยชน์ได้เรื่องอะไรเราต้องไปเสียเงินมากเสียเงินไปเปล่าๆทาไมแล้วเวลาซื้อมาแล้วเวลาขายขายขายก็ขาดทุนอีก ไม่ใช่ว่าขายแล้วจะกำไรถ้าขายแล้วกำไรก็น่าซื้อมาถือว่าเป็นการลงทุนเวลาไม่มีเงินใช้ก็ไปขายแล้วได้กำไรอย่นี่ก็ยังถือว่าดีอยู่แต่ส่วนใหญ่ซื้อมาลับแม้แต่วันเดียวจมเอาไปขายที่ร้านที่เราซื้อมาเขายังไม่ให้ราคาเต็มเลย <S <S เขาจะอ้างว่านูนน่นนี่เป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้วตัดราคาลงไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะมีนี่ต้องรู้จักควบคุมรายจ่าย อย่าใช้ตามอารมณ์เห็นอะไรชอบเห็นอะไรรักแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมาอารมณ์นี้มันหลอกเรามันหลอกให้เราดีใจขณะวันสองวันนั่นเองเวลาได้ซื้อของที่เราชอบมาก็มีความสุขใจเดี๋ยวสักพักหนึ่งของที่เราซื้อมาก็กลายเป็นของเก่าไปแล้วเป็นของเก่าเต็มบ้านไปหมดเลยไม่สนใจเลยมองทีไรก็ไม่มีความอยากได้ไม่เหมือนกับเวลามองของใหม่ในร้าน เห็นของใหม่ในร้านที่ไรเอาใจสั่นขึ้นมาอยากจะได้ขึ้นมาทันทีอันนี้แหละอารมณ์มันหลอกเรามันหลอกให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่มีว่าเป็นของของหน้าของดีของหน้าจะมีไว้จะได้ความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วประเดี๋ยวประเดาแต่มันไม่มองเห็นถึงความทุกข์คือบินบินที่มันจะตามมาเวลาเราจ่ายเงนินด้วยบัตรเครดิตนี่สิ้นเดือนนี้บินมันนายาวไปเลยบางทีมา มากกว่าที่เราจะจ่ายได้เราก็ต้องไปเป็นหนี้เขาอีกนี่วิธีการที่จะไม่เป็นหนี้ก็ต้องระวัดระวังใช้เงินอย่างประหยัดใช้ให้มันอยู่ในกรอบของรายได้ที่เราหามาได้อย่าให้รายจ่ายมากกว่ารายได้ถ้ารายจ่ายไม่มากกว่ารายได้เราก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแต่ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายได้เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วกู้แล้วเราก็ต้องไปใช้เขาอยู่ดี แล้วใช้แพงกว่าเพราะว่าเราต้องเสียค่าดอกอีกค่าค่าค่ากู้อีกเพราะฉะนั้นพยายามรู้จักใช้แบบประหยัดอดออมแล้วปัญหาเรื่องของการมีหนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นชีวิตเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายการกระทําของเราก็ไม่มีโทษเพราะเราสามารถที่จ ะ, ะหาหาเงินหาทองด้วยอาชีพที่สุดจริบได้ เราก็จะไม่มีทุกข์ที่เกิดจากการกระทาที่เกิดโทษตามมานี่คือเรื่องของการหาความสุขของผู้คลองเรือนซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่มันก็เป็นความสุขที่ที่มีความวิตกกังวลห่วงใยเพราะว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนนั่นเองรายได้ที่เรามีอยู่นี้มันไม่แน่นอนวันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะ หมดหายได้แล้วมันก็อาจจะทําให้เราทุกข์ได้ทั้งในขณะที่มันยังไม่เกิดเพียงแต่นึกถึงมันแล้วก็ไม่ค่อยเราก็กังวลกันแล้วว่าพรุ่นี้จะเป็นอย่างไรบ้างกิจการเราจะดีหรือไม่ดีอย่างไรมันมันสิ่งที่มันไม่แน่นอนเมื่อมันไม่แน่นอนมันก็เลยทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความกังวลใจขึ้นมาดังนั้นสําหรับคนบางคนเขาก็อาจจะเบื่อในเรื่องของการ หาความสุขแบบผู้ครองเรือนเขาก็เลยลองไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคือความสุขของผู้ของนักบวชคือความสุขของนักบวชนี้ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องกังวลว่าจะได้มีรายได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือยกเว้นจากเอ่อยกเว้นจากการที่จะต้องมีเงินทองไปซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่ถ้า ใช้เงินทองแบบมากน้อยสันโดษก็ไม่ต้องใช้มากหรือถ้าไปเป็นนักบวชแบบถาวรเลยเช่นไปบวชพระบวชชีก็จะมีผู้ที่เขาจะมาคอยสนับสนุนเลี้ยงดูเราอยู่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองเมื่อเราไม่เมื่อเราไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ต้องหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองคือความสุขอย่างไหน ก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี่ใจของเรานี้มันสามารถสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้อยู่ที่ว่าเราควบคุมบังคับมันเป็นหรือไม่ถ้าเราควบคุมบังคับมันเป็นเราก็สามารถทําใจให้สงบได้และเวลาใจสงบแล้วมันจะเกิดความรู้สึกที่เป็นความสุขมากคปนความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง พระพุทเจาตรัสว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นในโลกนี้ไม่มีความเหนือกว่าความสุขทางความสงบไม่มีความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดแต่การที่เราจะทําให้จิตเราสงบให้เกิดความสุขอันนี้ได้เราต้องควบคุมใจของเราใจของเราเดียวนี้ ไม่ได้รับการควบคุมเท่าที่ควรได้รับการควบคุมในระดับของของศีลห้าได้เท่านั้นเองเรายังสามารถควบคุมใจของเราไม่ให้กระทาบาปต่างๆได้ไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ไม่ให้ไปรักทรัพย์ไม่ให้ไ ป, ปพูดผิดประเพณีไม่ให้ไปพูดปดไม่ให้ไปดื่มของมึนเมาได้แต่มันไม่สามารถทำให้ใจเราสงบแบบที่มีความสุขได้ ถ้าอยากจะให้ใจมีความสุขนี้ต้องเพิ่มการควบคุมใจให้เพิ่มมากขึ้นระดับทางศีลก็ต้องเพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเช่นจัาาตตาราโยมที่มานุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดกันนี้มาเพื่อ ม, มาควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบเบื้องต้นกาอาศัยการควบคุมทางกายทางวาจาไม่ให้ใจออกไปทํากิจกรรมทางกายทางวาจา คือการไปเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนั่นเองศินข้อสามของศีลห้าก็เปลี่ยนเป็ น, ปนอ布拉มจริยาคือแทนที่จะละเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีก็ถือศินพรหมจรรย์โดยไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือหรือไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งสิ้นไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกัน เอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกันนี้มาฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบกัน น, นี้คือศินข้อสของศินสินแปแล้วก็ต้องเพิ่มเพิ่มศินข้อ6ไม่ให้หาความสุขจากการดื่มรับประทานกันแบบไม่มีขอบมีเขตคือไม่ให้ดื่มรับประทานตามความอยากอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรเมื่อไหร่เวลาใดก็ดื่มถ้าถ้าถือศินห้าก็ทําได้แต่ถ้าจะมาถือศินแปด ถ้าต้องการจะมาควบคุมใจให้สงบนี้จังละเว้นการการกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆนอกเวลาวิการละโภชนาะคือให้ดื่มกำหนดเวลาให้ดื่มให้รับประทานอาหารได้ไม่เกินเที่ยงวันไปวารับประทานคับวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายให้รับประทานเหมือนรับประทานยา เรากินยาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายฉันใดเรากินอาหารก็ควรกินอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายฉันนั้นอย่า ก, กินอาหารเพื่อตอบสนองตัญหาความอยากของเราถ้าเราทําตามความอยากของเรามันจะไม่อิ่มไม่พอวันละสา ม, มื้อบางทีก็ยังไม่พอบางคนต้องกินสามมื้อแล้วยังต้องมีระหว่างมืออ้อ ก, กินขนมนมเนยอะไรเครื่องดื่มไปอีกกินได้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้ ถ้าเราต้องการที่จะหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเราก็ต้องมาละเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือสี่ข้อที่6ส่วนสีลข้อที่7ก็คือให้เรามาละเว้นการหาความสุขจากการหาหาความสุขจากมหัศรศบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังดูภาพยนตร์ดูละครดูลิเกร้องราทําเพลงฟังเพลง ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆงานวันเกิดงานอะไรต่างๆนี้เราต้องตัดไปให้หมดไม่ต้องไม่ต้องให้ไม่ต้องการให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายเพราะจะไม่มีเวลามาหาความความสงบกันมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันต้องตัดกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้งกายไปให้หมด รวมทั้งการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่แต่งเื้อแต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามต่างๆไม่เสริมความงามด้วยน้าหอมน้ามันเครื่องสาอางต่างๆให้อยู่แบบเรียบง่ายอาบน้าอาบท่าให้สะอาดก็พอหีผ้าหวีผมก็พอใส่ชุดขาวหรือชุดชุดสบายๆไม่รู้หราไม่ฉูดฉาดไม่ต้องการที่จะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ เพามันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขที่ไม่ไม่จีรังไ ม, ม่และก็ไม่มีความสุขเหมือนกับความสุขที่เราจะได้จากการทําใจให้สงบเอาเวลาที่ไปใช้กับความสุขแบบนี้มากับการมาฝึกสตินั่งสมาธิกันมาภาวน า, ากันแล้วีลข้อที่แปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปเพราะจะเสียเวลาอัานมีค่าไปปกติถ้าเป็นนักปฏิบัติทำแล้วนี่ คืนหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่านอนแค่สี่ห้าชั่วโมงก็พอไม่ต้องนอนมากไปกว่านั้นวิธีที่จะทําให้ไม่นอนมากไปกว่าสี่ห้าชั่วโมงก็ให้นอนบนเตียงหรือที่มันไม่มีฟูกไม่มีของนุ่มของสบายเพราะถ้าไปนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆที่มันนุ่มมันสบายมันจะนอนเกินสี่ชั่วโมงร่างกายอาจจะตื่นขึ้นมาหลังจากได้พักผ่อนพอเพียงแล้วแต่ใจมันยังไม่อยากจะลุกเพราะว่าที่นอนมันนุ่มมันสบาย อะไรต้องบังคับมันให้มันไปนอนบนที่นอนที่ไม่สบายที่นอนที่แข็งแข็งถ้าเป็นเตียงก็อย่าไม่มีฟูกเป็นเป็นไม้เป็นอะไรแทนปูดปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อหรือไม่เช่นนั้นก็นอนกับพื้นเลยปูผ้าด้วยปูเสือ่อถ้านอนแบบบนพื้นแข็งๆนี่มันจะนอ น, นอนหลับเพียงพอต่อการต้องการพักผ่อนของร่างกายพอร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาจิตก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะาพื้นมันแข็งนอนแล้วไม่สบายไม่มีความสุขมันก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมเพื่อมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบที่เป็นความสุขที่ดีกว่าที่สบายกว่าที่นานกว่าที่ยั่งยืนกว่าและจะเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปถ้าเราสามารถปฏิบัติไปถึงขั้นสูงสุดของความสงบได้ แต่เบื้องต้นนี้เราต้องการความสุขที่ได้จากการควบคุมจิตใจให้หยุดคิดให้จิตหยุดคิดให้จิตนั่งให้อยู่นิ่งๆเฉยๆและการที่จะทำให้จิตหยุดนิ่งๆเฉยๆได้เราต้องมีผู้ควบคุมจิตจิตนี่เป็นเหมือนรถยนต์การที่เราจะทำให้รถยนต์หยุดได้นี่เราต้องมีสิ่งที่ทำให้มันหยุดสิ่งที่ทำให้รถยนต์หยุดก็คือเบรกเวลารถแล้วมาเวลารถวิ่งไปไหนแล้วเราต้องการหยุดเราก็เหยียบเบรก อันใดถ้าเราต้องการทําใจเราให้นิ่งให้สงบเราก็ต้องเหยียบเบรกของใจเบรกของใจก็คือสติสติคือการละเลิกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าเราละ เ, เลิกรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปนี้เราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ตอนต้นมันอาจจะหนีแวบออกไปคิดได้เพราะว่าสติเรายังมีกําลังน้อยอยู่ แต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆฝึกสติให้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปสตินี้จะสามารถยับยั้งความคิดต่างๆได้หมดเวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาาะว่าสมาธิก็คือนิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้จิตรวมความคิดหายไปเหลือแต่ความรู้จิตนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดเวลานั่งสมาธินี้ผู้คิดจะหายไป ต่เหลือแต่ผพ้รู้หรืออยู่กับอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละเป็นความสุขที่ที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการมีเงินมีทองการใช้เงินใช้ทองแต่เป็นความสุขที่เราจะต้องใช้ความเ พ, พียรพยายามอย่างมากไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะได้มันแล้วมันจะมาหาเราอันนี้เราต้องใช้ความเพียรพยายามไปฝึกจิตอยู่เรื่อย เบื้องต้นก็ลองไปอยู่วัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนในวันที่สะดวกเมื่อก่อนนี้วันที่สะดวกก็คือวันพระเพราะสมัยก่อนวันพระนี้เป็นวันหยุดทำงานกันคนเราก็จะไปวัดไปวาไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมกันแต่สมัยนี้วันพระมันไม่ได้ตรงกับวันวันวันหยุดทำงานของเราดังนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนวันพระมาไปให้มันตรงกับวันหยุดทำงานของเรา ถ้าเราหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระไปแล้วเราจะได้เอาวันวันหยุดทํางานนี้ไปไปอยู่วัดไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลแล้วก็ไปฝึกสมาธิไปทําใจให้สงบอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําเพราะว่าอยู่ดีๆขอของนี้ขอไม่ได้กราบพระขอที่ฐานว่าขอให้จิตของหนูสงบนี้ขอไปจนวันตายมันก็ไม่สงบ พระพุทธเจ้าบอกอยากจะทําให้จิตสงบต้องขยันพุทโธพุทโธมันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆเดินยืนนั่งนอนตั้งแต่ตื่นจะหลับพอตื่นขึ้นมาปั๊บสิ่งแรกที่เราควรจะทําเลยก็คือพุทโธไปเลยก่อนที่จะลุกขึ้นมาไปทําอะไรนี้ก็พุทโธไว้ก่อนนะพุทโธไปลุกขึ้นมาก็พุทโธไปเดินก็พุทโธไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไป คอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บางที mm hmm. เราจะปล่อยให้มันคิดใช่ไหมพอเราตื่นขึ้นม า, าก็เริ่มคิดแล้ววันนี้วันอะไรจะไปทำอะไรดีเ mm hmm. มื่อคืนนี้ไปทำอะไรมาคิดไปเรื่อยไปทั้งอดีตทั้งอนาคตคิดจะก็สร้างบางทีเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา mm hmm. เราต้องคอยควบคุมความคิดด้วยการเจริญสติด้วยการนึกถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเรามีพุโทโธอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วพอเวลาที่เรามานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้เพราะมันจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมันก็อยากคิดแต่พุโทโธพุโทโธต่อไปแต่นั่งสมาธินี้มีวิธีใช้สติได้หลายวิธีบางคนก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกแทนพุโทโธก็ได้ นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาบางคนก็ใช้พุทโธอย่างเดียวก็มีนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไม่ต้องดูลมไม่ต้องสนใจกับลมก็ได้อย่างได้อย่างหนึ่งบางคนก็เอาสองอย่างมาปนกันก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธ อันนี้แล้วแต่ความความพอพอใจของแต่ละท่านถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปแต่ถ้าเป็นไปได้ใช้อย่างเดียวได้มันจะดีกว่าเพราะจิตมันจะได้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าใช้หลายอย่างมันยังต้องทำงานอยู่ฉั้นให้ให้เพ่งดูลมอย่างเดียวหรือให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวถ้ายังทาไม่ได้อาจจะเอาพูดเข้าโธออกไปก่อนก็ได้ แล้วสักพักหนึ่งพอจิตไม่ลอยไปไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเอาพุโทโธอย่างเดียวหรือเอาดูลมอย่างเดียวก็ได้อันนี้คือวิธีการที่จะทำใจของเราให้สงบได้พอเราทำไปนั่งไปพยายามควบคุมความคิดไปในมมันยังจะไม่สงบอยู่นั่งก็นั่งไม่ได้นานนั่งได้สักตป๊บหนึ่งแล้วพุโทโธก็หายไปลมก็หายไปแล้วก็เริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อยากจะเลิกขึ้นมา แล้วนั่งต่อไปก็นั่งไม่ไหวก็ต้องเลิกไปแต่ถ้าเราเลิกแล้วเราอยากจะทําต่อเราก็พอเลิกจากนั่งสมาธิลุกขึ้นมาล้วก็มาเดินจงกรมหรือมาทําอะไรก็ได้ขณะที่ทําเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธท่องพุโทโธพุโทโธไปในใจไปอยู่เรื่อยๆพยายามทั้งทำทั้งวันทั้งคืนในวันที่เราไปปฏิบัติธรรมอย่าปล่อยให้ใจไม่มีผู้คอยควบคุมใจ ถ้าเรามันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะมีสติเป็นนิสัยต่อไปเวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจะพุโทโธของมันทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องสั่งมันแลวเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายได้นานได้เร็วแต่ต้องเป็นการกระทำที่ต้องมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องต้องใจเย็นๆอย่าไปรีบร้อนอย่าไปนั่งปุ๊บแล้วอยากจะได้ปั๊บเนี่ยพอนั่งปุ๊บแล้วไม่ได้ปั๊บมันก็ท้อแทบ้บื่อหน แล้วก็เลยไม่อยากจะทําต้องอดทนต้องรู้ว่าเป็นของยากเหมือนกับปลูกข้าวไม่ใช่ปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ข้าวมันจะงอกขึ้นมาเลยมันไม่ใช่ถั่วงอกถ้าถั่วงอกนได้อยู่เนีะปลูกถั่วคืนนี้พรุ่งนี้มันก็งอกขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นข้าวมันก็ต้องใช้เวลาสามเดือนการปฏิบัติก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ไม่นานมากจนเกินไปเขาะจะรับรองได้ว่าถ้าฝึกสติได้อย่างต่อเ น, นื่องก็จะตื่นจนหลับนี่ ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนะไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้รับความสงบอย่างแน่นอนขอให้เราพีี่ความเยพยายามอดทนทําไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ความสุขที่มั่นคงกว่าที่สบายที่สบายกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองจากการมีเงินมีทองเพราะเงินทองเราครวบคุมบังคับไม่ได้ไม่แน่นอนแต่ความสงบนี้พอเรารู้จักวิธีทําให้มันสงบแล้วเราสามารถครวบคุมบังคับมันได้ สามารถทำให้มันสงบไปได้ตลอดเวลาจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นระดับปัญญาถ้าเราเข้าถึงขั้นระดับปัญญาแล้วเราจะทำให้ใจนี้สงบอย่างท้าวรสงบแบบที่ไม่ต้องการจะมีอะไรต่อไปใจเอาใจอยู่ในสมาธิก็สงบออกจากสมาธิมาก็สงบไม่มีความหิวไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจก็มีปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้ว กิเลสตัณหาตัวที่พายเรามาเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะถูกกําจัดไปหมดตอนกระทั่งเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้แหละคือความสุขของผู้ของนักบวชซึ่งสามารถทําได้ทุกคนนักบวชก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนนักบวชก็มาจากผู้คลองเรือนเนี่ยไม่มีใครเกิดมาเป็นนักบวชทันทีทุกคนทีเกิดมาก็เป็นผู้คลองเรือนกันแต่พอโตขึ้นมาได้รู้ได้ได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับความสุข สองรูปแบบก็เลยเห็นว่าความสุขทางของนักบวชนี่ดีกว่าก็เลยเปลี่ยนจากการเป็นผู้คลองเรือนไปเป็นนักบวชต่อไปนั่นเองคันน uh, mm. ียย้ญาโยมก็เป็นผู้คลองเรือนอยู่ก็ลองมาฝึกอาทิตย์ละหนึ่งวันดูว่าความสุขของนักบวชเป็นอย่างไรลองปฏิบัติดู <c oughs> ถ้าปฏิบัติได้ผลแล้วรับประกันได้ว่าจะไม่อยากจะไปกลับไปหาความสุขแบบผู้คลองเรือนอีกต่อไปเพราะความเรื่องความสุขของผู้คลองเรือนมันวุ่นวายหนอ มีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้มาให้เราวุ่นวายอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีอะไรมาทำให้ใจวุ่นวายนี่คือเรื่องของความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้สองรูปแบบที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยถาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสาคะลัง เอวเมวะอิโตชินนางเปตานังอุปกปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัญหาราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตพวัตะวันตาลาโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุธาปะจายโนจตารธูธรมมวาทานติอายุวันุสุขมามภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกต่อการถามตอบคำถามพอหลังจากเรื่องแล้วจะต้องทํากิจอย่างอื่นต่อไปเพิ่งขออภัยไม่สามารถตอบคําถามในช่วงอื่นได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ผู้ติดตามจากทาง f a c e b o o ห้าร้อยสี่คน y o u t u สา3ร4อยสิบสี่ r v 6 6บด็อกวหกสิบหกคลับเแปดวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดผู้ฟังท ร, รนาุติหนึ่งร้อยหกสิ1เอ็ดรวมทั้งหมดหนึ่งพันหกสิบสี่คนค่ะมีคำถามอะไรไหมคำถามจากผู้ฝากถามค่ะ ยมสังเกตตัวเองว่าถ้าหากเดินจงกรมก่อนที่จะนั่งภาวนาจะทําได้ดีขึ้นขอกราบเรียนถามว่าถ้าเดินจงกรมแล้วเสียบหูฟังเทศไปด้วยจะเป็นบาปเพราะไม่เคารพต่อพระธรรมเทศนาหรือไม่คะในสมัยนี้มันมีวิธีการฟังธรรมได้หลายรูปแบบถ้าเราฟังแล้วเสียบหูฟัง ถ้ามันไม่มีเสียงเราฟังใบในหูนี่ก็สามารถฟังได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในเอเรียบทใดแต่ถ้ามีเสียงนี่มันอาจจะท่าดูตามแบบแบบเดิมมันก็จะไม่สำรวมไม่เขารบก็สมัยก่อนเวลาฟังธรรมเราก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งฟังกันแต่ถ้าเราสมัยนี้มีวิธีฟังโดยที่ไม่ได้ออกเสียงให้คนอื่นเขารู้ว่าเรากำลังฟังธรรม เราก็สามารถที่จะเดินไปฟังไปก็ได้แต่การจะฟังธรรมได้ผลดีที่สุดก็คือต้องฟังในขณะที่เรานั่งเฉยๆไม่ทําอะไรเพราะเวลาเราทําอะไรใจเราก็ต้องแบ่งไปกับงานที่เราทําอยู่การฟังธรรมก็อาจจะไม่ต่ อ, นอเนื่องเพราะต้องแบ่งไปแบ่งมางั้นถ้าอยากจะฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดก็นั่งเฉยๆ แต่ถ้านั่งแล้วหลับก็เดินเดินฟังไปก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่อย่าเดินฟังธรรมก็ได้ขอให้มีสติอยู่กับาการฟังธรรมเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันอ่าเชิญ <c oughs> เออผมสงสัยว่าการเจริญสติครับเราจะใช้ปัญญาหรือว่าเราจะใช้สติก่อนอปัญญาคือการเจริญอสุภะคือมันก็ละเรื่องกันนะ เรียนหนังสือเราก็ต้องหัดเป็นเรียนเป็นขั้นขั้นไปข้นแรกก็เรียนกอไก่ขอไข่ก่อนแล้วค่อยไปสะกดแล้วค่อยอ่านอ่อการปฏิบัติเบื้องต้นก็เริ่มต้นที่สติก่อนยังไม่ไปยังไม่ไปทางปัญญาไม่ไปทางไหนต้องฝึกสติให้จิตนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาที เค <Okay>. okay. คำถามจากผู้ฝากถามค่ะบุพการีอายุมากแล้วป่วยไปหาหมอรักษาโรคร้ายท่านก็หวังว่าจะหายผลการรักษาออกมาก็ไม่ได้หายแค่ดีขึ้นเป็นบางส่วนขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะกับชีวิตที่เหลืออยู่ mm hmm. ขอหลักที่พึ่งทางใจให้กับบุพการีด้วยครับเราเจ้าสามารถเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคน เาฉะนั้นอย่าไปหวังกับการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้ต้องเตรียมตั ว, ตวเตรียมใจยอมรับความแก่ความเจ็บความตายรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ ต, กต้องปล่อยให้มันตายไปอย่าไปหวังอย่าไป อ, อ, อย่าไปอยากเพราะมันจะทำให้เราทุกข์เวลาไม่เกิดขึ้นมาตามที่เราอยากความจริงมันต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้แน่นอนกว่า การไม่การหายเจ็บกับการไม่ตายนี้มันมันไม่แน่นอนบางทีก <Where dead kindergarten> ็หายบางทีก็ไม่ตายแต่บางทีก็ไม่หายบางทีก็ตายที่ที่ที่ตายนี่มันแน่นอนกว่าไม่หายนี่มันแน่นอนกว่าเนี่ยเราต้องวางใจอยู่กับความไม่หายอยู่กับความตายดีกว่าแล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปหวังแล้วเราไม่ได้ดังใจหวังเราจะทุกข์มาก คำถามต่อไปค่ะมีหมอสมองพูดว่าหากสมองสดที่ควบคุมพฤติกรรมถูกทำลายไม่ว่าปุถุชนหรือพระอริยะจะมีพฤติกรรมแปลกๆออกมาเหมือนกันแต่หนูเข้าใจตามที่หลวงพ่อเทศสอนตลอดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็แสดงว่าจิตสั่งกายผ่านกลไกสมองพฤติกรรมบางอย่างที่มาจากจิต เช่นพฤติกรรมลามกที่สะท้อนตนหาราคาถ้าสมองส่วนควบคุมพฤติกรรมของพระอนาคามีพระอระหันต์ที่กรรมาราคะท่านขาดแล้วถูกทำลายแล้วท่านก็จะไม่มีทางมีพฤติกรรมสอบไปในทางลามกเหมือนปุถุชนสิ่งที่หนูเข้าใจถูกต้องหรือไม่เจ้าคะขอลงพราโปรดเมตตาถูกต้องแล้วแหละสมองหรือร่างกายมั น, นเป็นเหมือนรถยนต์สมอคนขับนี่ เป็นผู้ควบคุมรถยนต์คนขับเมาหรือไม่เมาก็ขับไม่เหมือนกันคนขับเมาก็ขับแบบชวิตสวาดขับแบบ อ, อันตรายคนขับที่ไม่เมาก็ขับแบบระมัดระวังเพระฉั้นจิตของพระอาหารหันต์ของบารยาณนี่ท่านมีสติสมบูรณ์ท่านควบคุมร่างกายได้ไม่ให้ไปทำในสิ่งที่เสียหายได้แต่ บางทีร่างกายมันไม่ตอบสนองอันนี้ก็เป็นไปได้สัากให้มันลุกบางทีมันไม่ลุกเช่นพระหารบางลูกท่านก็เป็นอมาะพฤกรรมภาพาได้แต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าใจของท่านเป็นอมตะพฤกรรมภา พ, กกาพาเป็นเพราะสมองไม่สั่งการให้ร่างกายทํางานในซีกนั้นมันก็เลยเลยเป็นเป็นอมาะพฤกรรมาพาพไปแล้วต้องแยกแยะว่าคนสั่งกับคนรับคําสั่งนี่คนละคนกัน คนสั่งมีสติก็จะสั่งให้ไปทำในสิ่งที่ดีที่งามไม่ให้ไปทาในสิ่งที่ที่เลวที่ชั่วได้คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าป่วยทางจิตรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตเขาต้องทำอย่างไรถึงจะกลับมาเพราะเขาไม่รู้จักธรรมะไม่เคยฝึกจิตเลยก็อย่างว่าและถ้ามันไม่รู้ก็ลองมาศึกษาธรรมะมาฝึกจิต มันถึงจะกลับมาเป็นปกติได้เหตุก็คือขาดสติไว้ให้ใจอยากมากๆแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็เสื่มเศร้าดังนั้นวิธีการก็คือต้องมากลับมาฝึกสติให้จิตหยุดความอยากให้ได้พอจิตหยุดความอยากใจก็สงบความเศร้าก็จะหายไปขออนี้ทำเพิ่มจากอันนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชล่ะค่ะก็ถ้าศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ มันต้องพระจาถึงเตือนอยู่เรื่อยว่าอย่าประมาทสังขารร่างกายของเรามันไม่แน่นอนวันดีคือดีอะไรก็จะอาจจะเกิดขึ้นกับมันก็ได้ั้นตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์ตอบสนองความคําสั่งของใจได้ก็รีบสั่งเอาร่างกายมาศึกษามาปฏิบัติทำดีกว่าหมดแล้วค่ะหแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะ อย่างนีถามอเลยว่าหนูเข้ามาเอาส่งมไมาให้หน่อยพูดใกล้ใกากได้รังเลยกราบในมัสการเจ้าค่ะหนูอยากรู้ว่าเราจะมีวิธีช่วยระงับอารมณ์ความคิดที่มันแบบบางทีเราก็มีความคิด อิจฉาลิษยาหรือการแข่งขันกับใจตัวเองแบบนี้เจ้าค่ะเราจะมีวิธีการปรามความคิดที่เป็นกิเลสแบบนี้อย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะก็มีสองวิธีวิธีง่ายๆก็คือใช้สติใช้พุโทโธเวลาคิดไม่ดีเราก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าอย่ายหยุดจนกว่าความคิดไม่ดีมันหยุด <Okay. S 2> ถ้าเราใช้พุโทโธก็เหมือนเบรกรถยนต์รถยนต์นเวลามันจะวิ่งไปชนอะไรเราก็ใช้เบเรคเหยียม เหยียบแต่เบรกก็ต้องเหยียบไปจนกว่ารถจะหยุดไม่ใช่เหยียบปั๊บแล้วก็ปล่อยพอเหยียบปั๊บแล้วปล่อยมันก็วิ่งต่อได้ใจก็เหมือนกันถ้าเราต้องการหยุดความคิดไม่ดีเราก็ต้องท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอยาพุทโธสองสามคำแล้วหยุดแล้วคิดว่าความคิดมันจะหยุดมันยังไม่หยุดก็ต้องพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะหยุดแล้วเอาถึงข้อหยุดท่องพุทโธได้อันนี้วิธีวิธีแรกเรียกว่าวิธีของสติวิธีที่สองของปัญญาก็คือ ถ้าเราอิจฉา ล, ลิสยาคนอื่นเขาเขาได้ดิบได้ดีเขาดีกว่าเราเด่นกว่าเราเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องของบุญของกรรมที่ทำมาในอดีตไม่เท่ากันเขาทำบุญมามากกว่าเราเขาทำบาปน้อยกว่าเราเขาเลยได้ดิบได้ดีดีกว่าเราถ้าเราอยากจะได้ดิบได้ดีดีกว่าเขาเราก็ต้องพยายามทาบุญให้มากขึ้นทำบาปให้น้อยลงแต่เราไอิฉาอิฉาลิษยาก็ห้ามเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้ เอามันเป็นนำหน้าของบุญของบาปที่เขาทามาเพราะเราทุกคนมีบุญมีบาปเป็นของของตนจะทํากรรมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น mm hmm. ถ้าเราคิอย่างนี้ได้แล้วเราก็เราก็จะยอมรับว่าเอเป็นบุญของเขามีโ บ, บราณก็พูดอ่างว่าแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้แต่แข่งว่าสนาบารมีแข่งบุญบาร ม, ารมีนี่แข่งกันไม่ได้ต้องทําต้องสะสมบุญบารมีกัน ครับขอบพระคุณเจ้าจะ้ะค่ะทข้าหลคุณย่อคุณย่าถามพระอาจารย์นิดนึ่งครับร่าง<ถ>หญ่ย่ออ๋อครับถ้าเกิดมีความท้อแท้ในเรื่องการทำงานเราควรจะทำปฏิบัติใจปฏิบัติตัวอย่างไรดีครับก็หยุดคิดเรื่องงานเรื่องเกา่าเชื่อกล่าวไว้ก่อนใช้พุทโธพุทโธทาใจให้สงบก่อนใจขาสติละใจมันละรคิดไปในทางทาง้อทางท้อแท้ เห็นปัญหาต่างๆแล้วเหนื่อยก็อย่าไปนึกถึงมันหยุดคิดถึงมันไปก่อนชั่อกาวทําใจให้ว่างให้สงบก่อนพอใจสงบใจเย็นแล้วทีนี้ใจก็จะมีพลังสามารถมองปัญหาต่างๆแล้วสามารถหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆได้ต่อไปในเวลาเกิดความท้อแท้ก็ไปหาที่สงบทําใจให้นิ่งพุทโธพุทโธไปอย่าอย่าคิดยิ่งคิดมันยิ่งท้ออย่า เพราไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่พอเราทําใจให้สงบแล้วเราบอกออเหมืนปัญหามันอยู่ที่ใจเราไม่สงบนี่มันจะอยู่ที่ไหนพอใจเราสงบแล้วเราสบายแล้วปัญหามันก็ไม่เป็นปัญหาหต่อไปมันจะเป็นก็เรื่องของมันเราก็อยู่กับมันได้<ช>ปัญหาที่ทําให้เราท้อแท้ครือใจเราไม่สงบใจเราเครียดใจเราอยากอยากแก้ปัญหาอยากจะทำให้นู่นทนํานี่พอทําให้สําเร็จก็เลยเกิดความท้อแทบดูไหนาขึ้น ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมแล้วว่าทําไม่ได้มันก็จบแต่มันไม่ยอมนับยังอยากจะทําให้ได้นี่อยากยิ่งทํายิ่งอยากยิ่งจะทําให้เครียดยิ่งอยากยิงยงยกย่งทําให้ท้อแท้เบือหน่มากขึ้นนั้นต้องหยุดความอยากนี่ไปนั่งสมาธิลางงานไปสักวันก็ได้ไปปีกวิเวกไปพุทโ ธ, ธพุทโ ธ, ธอย่าไปคิดถึงเรื่องงานถ้าพังพอใจสบงบเย็นสบายมีความสุขแล้วบอกเอองานก็งานมันเป็นอย่างนั้นแหละแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ ก็ก็ต้องอยู่กับมันไปแค่นี้แต่ใจเราไม่ใจเราไม่ทุกข์กับมันใจเราไม่ท้อปัญหาไม่ได้อยู่ข้างนอกปัญหาอยู่ทีใจเราใจเราเครียดใจเราทุกข์ใจเราอยากมากเกินไปมากเกินกว่ากําลังที่เราจะสามารถทําตามความอยากเราได้เราต้องไปสงบสติอารมณ์ทําใจให้สงบให้มีความสุขพอใจมีความสุขแล้วทำเท่าที่ทําได้เท่านั้นก็จบ กาศกับ เ, เรียนถามเจ้าค่ะควรสอนใจอย่างไรเมื่อเกิดความทุกข์จากการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็อย่างนี้แหละเราอยู่ในโลกที่มันมีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้อากาศมันจะร้อนเราก็ห้ามมันไม่ได้อากาศมันจะหนาวเราก็ห้ามมันไม่ได้ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้โดยการทําใจให้นิ่งให้เฉยให้สงบฝึกสตินั่งสมาธิไปก็จะได้ปล่อยวางเหตุการณ์ต่างๆได้การฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นบาป หากเรากินยาถ่ายพยาธิแล้วพยาธิตายหรือกินยารักษาโรคแล้วเชื้อโรคตายถือว่าเป็นเจตนาฆ่าทั้งสิน้นแบบนี้จะถือว่าเป็นบาปจากการฆ่าสัตว์หรือไม่ครับคือสัตว์บางชนิดมันไม่มีดวงวิญญาณถ้ามันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันไม่มันไม่มีดวงวิญญาณก็ไม่บาปเชื้อโรคนี่มันไม่มีตาหูตาจมูกลิ้นกายเป็นกินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคนี่ไม่บาป คำถามต่อไปถ้าเราตายไปแล้วเราจะรู้ไหมว่าที่เราอยู่ในโลกมนุษย์เราเป็นใครทําอะไรมาบ้างถ้าเรามีความจําดีแล้วก็ระลึกชาติได้ hmm. ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็สามารถระลึกอดีตชาติต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่มีความจําดีนั่งสมาธิสงบก็จะร ะ, ะลึกไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษของแต่ละคน กราบพระอาจารย์ขออุบายในการเลิกสะสมพระเครื่องของขังครับก็ทิ้งไปสิเอาไปบริจากใครอยากได้ก็ให้ไปไม่ยากตรงไหนคำถามต่อไปค่ะผมขอถามว่าเราทำบุญจนหมดตัวเราจะได้บุญมากหรือไม่ได้เลยครับใช่มากสิเพราะเราจะได้ไปบวชต่อไงเพราะไม่มีเงินแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แนละ้วคารวะมันก็ต้องไปอยู่แบบนักบวช จะได้ปฏิบัติธรรมจะได้มากผลนิพพานตามมาต่อไปพระพุทธเจ้าสลาะราชสมบัติเนี่ยออกบวชจึงได้ตัสธลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้ายังรักษาทรัพย์สมบัติอยู่ก็จะเป็นพระมหาจากักรพรรดิอนาคตของพระพุทธเจ้ามีอยู่สองทางเลือกโหราจารย์ทำนายไว้ตามที่เกิดมาใหม่อเด็กคนนี้มีอนาคตอยู่สองทางถ้าอยู่เป็นถ้าอยู่คลองล่าก็จะเป็นมหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ ถ้าออกบววก็จะได้เป็นพระศาสนา uh, คำถามต่อไปค่ะเด a r พระอาจารย์ ar, my partner she sometimes get very angry with me for things which I think is not worth to be so angry over and this affect my mental peace in such situation what shall I do you have to understand that that is her nature to be like that And you cannot change. Her. You should look at her just like the weather. The weather you cannot change. When it's cold, you cannot make it hot. When it's hot, you cannot make it cold. So you have to leave the the weather alone. So the same way, you have to leave people alone. If they want to get angry at you, you cannot do. You cannot stop them. Let them get angry at you. Be kind to them. Be understanding that this is their problem, not our, not your problem. But don't get angry at them. Don't try to change them, because you can get frustrated and not happy. But if you understand that this is her nature to be like this, and you let her be, then then you will feel good that you are kind to her. You're not bothered by what she is doing. หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วยังในน้หมดแล้วคำถามหมดแล้วเลยทไมัวเล่าเรื่องอะไรชอบเลยชอบคาถามวันนี้เลยโอเคนะเวลาก็พอสมควรก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด